ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับณสำราณอิตถิยาบุตรรายกดว่าอยู่ในพระเถตวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระองค์ทรงปรารภเศรษฐีที่ว่าอบุตตะกะหมายความว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่าคันนันติโลภา ผู้มีทั้งเป็นต้นความมีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าประเสณอธิโกศลทรงสดับการทําการะของเศรษฐีนั้นแล้วคือเศรษฐีนั้นตายจึงตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลที่ไร้บุตรจะพึงตกแก่ใครมฤคทราบข่าวจากบรรดามหาราชบริพารทั้งหลายผู้วินิจฉัยก็ดี ทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องถึงกับพระราชาจึงได้นําจึงให้นําทรัพย์มาจากแรงของเศรษฐีนั้นมาสู่ราชตระกูลใช้เวลาขนอยู่ถึง 7 วันแล้วจึงได้เสด็จไปสู่สำนักขององค์สมเด็จพระภูมิอีกพระเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วสมเด็จอมรทิพย์แก้วทัดว่าขอเชิญพระมหาบพิตรโปรดทรงเสด็จมา นี่มีสอเหตุอันใดหนอพอเวลานี้มณิมาตะยังวันก็ลงจึงได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าข้ามีท้าววดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงพาราณสีนี้ทํากาละเกิดตายเสร็จแล้วข้าพระพุทธเจ้านําทรัพย์สมบัติซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นคนไร้บุตรไปภายในภายในพระราชสํานัก มัสสทเล่่งครับที่มาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีเรื่องทั้งปวงซึ่งตามในที่มีมาในพระสูตรทั้งหลายแล้วนั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระราชากราบทูลข้อความนี้แล้วได้ยินว่าเศรษฐีนั้นเมื่อเขานําภัตจนะอันมีรถเลิศต่างๆเข้าไปให้ได้ถาดขอ พระเศรษฐีนี่มีสตางค์มากเขาใช้ถาดทองวางเครื่องรองรับอาหารพระเศรษฐีท่านก็กล่าวว่าพวกมนุษย์ย่อมกินโภชนะอย่างเป็นเช่นนี้ได้หรืออีมนุษย์ที่เขาไม่กินกันอย่างนี้พวกเจ้าทําการเยาะเย้ยเราได้ยังไงทีนี่แหละอีมนุษย์ก็คํากรรม เวลาเขานําอาหารดีๆใส่ถาดสงครามไปให้แก่ก็หาว่าเขาเยอะแย่เมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ในที่ใกล้ของแก่แก่ก็ไล่คุบไล่ตีคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก้อนดินบ้างได้ท่อนไม้บ้างไปตนไล่คนทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปนี่เวลาเอ่อเวลาที่แก่จะบริโภคอาหารแก่ก็ไม่กินข้าวดีๆ แกงกะหล่ำอัปไลท์ท่าวิริยัติเอียดแล้วมีมีน้ำผักดองเป็นกับนี่เป็นเรื่องราวที่แตกมนดาคนที่เป็นเศรษฐีเค้าไม่ได้กินของดีกันเวลานี้ขอท่านดาเศรษฐีทั้งหลายกินอาหารไอ้บ้านไม่พออร่อยก็ต้องไปกินอาหารนอกบ้านที่มันมีราคาแพงกว่าจึงจะโก้จึงจะเฉ แต่ว่าบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยนั้นเวลาเขายิ่งกินกันเข้ากินข้าวมัธุพายาตที่เป็นของที่มีรถเลิศภัตญะนิสัยก็เป็นภัตญะทองคําแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาทอดทองคําไปให้ใส่ของอาหารที่ดีไปให้แก่ไร่ตีเขาแต่ก็กลับกินข้าวปลายข้าวกับน้ําผักดองเป็นอาหาร แต่ตามบาลีท่านกลับไปว่านี่จึงเป็นโภชนะที่มนุษย์จะบอกว่าไอ้นี่สิผลายข้าวนี่กับน้ําบักดองนี่มันจึงเป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินว่าลุตอะไรสิ่งของที่ไปก่อนนี้มันไม่ใช่มนุษย์ใช่ว่าอย่างนั้นนี่ก็เรื่องของแก่ไปเรื่องอาตมาเมื่อเขาเข้าไปตั้งถ้าคือเอาผ้าเข้าไปให้ก็ดีเอายานฐานะเข้าไปให้ก็ดี เอารองหรือว่ารองเท้าที่น่าใช้เอาไปให้ก็ดีไปจนไล่ตีคนนั้นเพราะว่าเอ่อแกก็ไล่ตีคนคนนั้นได้ก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างมอยบ้างไล่คว้างไล่ตีให้หนีไปในเวลาที่ใจนุ่มผ้าแทนที่นุ่มผ้าดีๆกับนุ่มผ้าปานที่ไม่เนื้อเลวๆ เวลาที่จะเอาใช้ร่วมก็เอาใบไม้มาทําร่มเอาใบไม้อ่ะเอาอีกไม้มาถือไว้ทําร่มเวลาจะไปไหนรถดีๆรถใหญ่ๆรถสวยๆจะไม่นั่งคนนั่งรถเก่าๆก็ยังดีจะนั่งรถเพราะว่าเป็นเศรษฐีจําจะต้องมีรถแต่ก็มีรถเก่าๆไอ้ความจริงคนเล่นของเก่านี่ก็ดีเหมือนกัน <c oughs> องค์สมเด็จพระกวัณทิรทรงตรัสเล่าบุปผกรรมของอปุถกเศรษฐีนั้นว่าพระมหาบพิตรเรื่องเคยมีมาแล้วคือกาหมดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นต้อนรับทัพไอติสุพุทธเจ้ามีนามว่าตักระเศรษฐีด้วยบินดําบายคืออาหารแล้วกล่าวว่าท่าน อันนั้นหลายจงให้บิณฑบาตคืออาหารแก่สมณะเมื่อแกสั่งอย่างนี้แล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี่ต่อมาได้ยินข่าวว่าเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นพวกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็แกก็เป็นคนโง่เขลาเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปบรรดาบุคคลดีปัญญาก็ดีเขาก็เขามีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระบดีสัมพุทธเจ้า คิดว่านี่เป็นการนานแล้วหนอเราจึงได้ยินคําว่าจงให้จากภาคคําของเศรษฐีนี้เพราะปกติตาคนนี้แกไม่เคยยอมให้อะไรเลยยากแก่จนคนจะตายมาขอแก่ไม่เคยให้ทํามาให้ไม่มีคราวนี้มีคําว่าจงให้ฉะนั้นความดีใจของพวกเขาจึงเกิดขึ้นสําหรับบทปัญญา <c oughs> วันนั้นมีความเต็มตื้นด้วยปิติมีตั้งใจไว้ว่าจะถวายอาหารเป็นธัมบาดแก้พระบดีสัมพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดที่เพิ่งมีในวันนั้นเขาได้หลายเหล่านั้นได้รับบาตรของพระบดีสัมพุทธเจ้าเข้ามาแล้วก็ได้ถวายเป็นธัมบาดมีอาหารอันมีรสเลิศมีความประณีตอย่างยวดให้เต็มบาตร แล้วก็ถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าไปฝ่ายท่านเศรษฐีนั้นกลับมาแล้วเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงถามว่า "นี่ สมณะท่านดำอะไรมา บ้าง" เมื่อถามพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็จับวัดจับวัดของพระปัจเจกพุทธเจ้าเปิดฝาวัดมองดูเห็นอาหารในวัดมีรสมีเป็นอาหารแปลกๆ สิ่งเป็นของดีเป็นกรณีพิเศษก็มีความเด็ดร้อนในใจทีนี้คิดว่าเอเจ้าพวกทาสหรือกรรมกรของเรานี่ถ้าไม่ได้สิ่งของดีๆอย่างนี้จึงดีกว่ากระเพราะว่าเจ้าพวกทาสหรือกรรมกรโบเก่าของเรานี่กินแล้วมันก็ยังทํางานทําการให้แก่เรา เออมีสภาพพระองค์นี้จะกินแล้วก็ทําอะไรบ้างถ้าเอานี้จะกินแล้วก็จะนอนนอนหลับนอนหลับถึงมาก็บินทบัดมาขอข้าวชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นการให้อาหารอย่างนี้กับพระประเภทนี้เราก็ชิบหายแน่ถ้าคิดอย่างนั้นสามเณรถึงกล่าวว่าอันหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีนั้นลง เออตอนนี้ยังเป็นกามนหนึ่งที่เขาต้องกินอาหารเร็วๆท่านบอกว่าเศรษฐีคนนั้นฆ่าบุตรน้อยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิตได้สัปปสาวรีทั้งฤบบลงพอเหือดแห่งสัพพสิ่งหมดได้ยินว่าเด็กคนนั้นพอเวลาที่พ่อตายแล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็ไปไหนกับอารไหนก็ไปกับคุณอารด้วยคุณอารก็จับมือ ก็ก็จับนิ้วมือของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นอาเที่ยวไปเดินไปไหนก็ไปด้วยวลีท่านบอกเที่ยวไปพอเวลาไปไหนก็พูดว่านี่ยานนี้นะที่เรานั่งมาเนี่ยว่ารถเนี่ยเป็นรถของบิดาของฉันโคตัวนี้ที่ที่ลากรถก็เป็นโคของบิดาของฉันอะไรก็ตามในบ้านเด็กๆก็บอกว่านี่ก็ของพ่อของฉัน นี่ต่อของพ่อของฉันไอ้นั่นก็ของพ่อของฉันก็สร้างความเจ็บใจแก่ท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าบัดนี้เจ้าเด็กคนนี้มันยังเป็นเด็กก่อนจึงกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าในการต่อไปเด็กนี้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วใครจะรักษาผู้ปกสรรค์ทั้งหลายในเรือนี้ได้มันก็ยาวหมดไม่ได้การ <c oughs> ไอ้เจอเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันเสียจึงนําเด็กคนนั้นไปสู่ป่าแล้วจับที่คอบีบคอมันก็บีบหัวมันได้ไปอย่างนั้นจับบีบคอให้เด็กคนนั้นตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่กอไม้แห่งนี้คนอันว่าไอ้กรรมนี่แหละที่เป็นเหตุที่เป็นอุปกรรมของท่านมหาเศรษฐีนั้นสืบต่อมาท่านกล่าวว่า สำเร็จกับผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำนี้ว่าถ้ามาหาบอบผิดด้วยผลแห่งกรรมที่สาบดีคือเศรษฐีผู้นั้นต้อนรับทรัพย์จีกับพระพุทธเจ้ามีนามว่าตักขรสิกขีด้วยบินบัดนั่นแลเศรษฐีนั้นจึงเข้าถึงสู่สุคติคือโลกสวรรค์ 7 ครั้งด้วยความจริงเพราะเขาทวายสั่งให้ถวายอาหารแก่ทรัพย์จีกับพระพุทธเจ้า เขาก็ได้มีโอกาสเป็นไม่เกิดเป็นเทวดา 7 ครั้งแหมน่าคิดบุญกับบาปนี่มันแยกกันน่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่ทําบุญแล้วก็นึกไปด้วยถ้ามาเกิดกรรมอะไรไม่ดีก็มาในปัจจุบันก็ได้ขึ้นบาปบ้างดูตัวอย่างเศรษฐีคนนี้เป็นสําคัญท่านได้กล่าวต่อว่าได้ผลที่เหลือแห่งกรรมนั่นแหละเศรษฐีจึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีนี่ถึงคร 7 ครั้ง หมอเอกราบุนที่ถวายแก่พระบัจเจกพุทธเจ้าใหญ่ประเภทตั้งใจสั่งแต่มาทีหลังไม่เต็มใจให้แต่ก็ให้ไปแล้วก็มีใจประณามในพระบัจเจกพุทธเจ้านั้นแม้แต่บุญหมาคันนี่จะว่าเลวก็ไม่ใช่จะว่าดีก็ไม่เชิงตอนต้นดีตอนหลังเลวบรรดาลให้ท่านเป็นเทวดาถึงหม 7 ขนแล้วก็เสกกรรมความดีทั้ง บันดาลให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในกรุงพาราณสีถึง 7 ครั้งองค์สมเด็จพระมหาพระผู้มีพระญาติสัตว์ไปว่าต่อไปว่าถ้ามหาบพิตรด้วยผลแห่งกรรมที่สหโบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นให้ทันแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังว่าพวกท่านหรือกรรมกรพึงบริโภคอาหารอย่างนี้ดีกว่าคือว่าพระกินแล้วนอน คนนั้นจึงแล้วทํางานให้เราจิตของมหาเศรษฐีนั้นยิ่งไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีหรืออย่างพุ่มเฟือยมีให้แล้วมีอารมณ์ขี้เหยยกยิ่งไม่ต้องการอาหารดีไม่ต้องการอาหารพุ่มเฟือยไม่ต้องการภาชนะโกเกะแล้วจิตของท่านมหาเศรษฐีนั้นไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าอย่างพุ่มเฟือยคือไม่ใช้ของดี แล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยยานพาหนะที่ฟุ่มเฟือยคือใช้รถดีๆไม่ชอบแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ 5 อันดียิ่งไปกว่าว่าไม่จะชูไม่แต่งตัวโกเก๋ก็เลยไม่จะชูด้วยมันก็ดีเหมือนกันโอ้สมเด็จพระบวรตัดต่อยไปว่าพระมหาบพิตรได้ผลแห่งกรรมที่สาบดีเศรษฐีนั้น <c oughs> อ่าแล้วทรัพย์สมบัติของอีชายเครื่องเป็นเด็กน้อยที่เป็นลูกของอีชายณจากชีวิตเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติที่มีความโลภในทรัพย์สมบัติคิดว่าเจ้าเด็กนี้มันโตขึ้นมามันก็จะยึดทรัพย์สมบัติของมันไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้นั้นที่เราครองอยู่มันก็จะประกาศว่านี่ทรัพย์พ่อของฉันนี่ทรัพย์พ่อของฉันเราก็อยู่ด้วยความละอายใจ แต่นั้นเจียงฆ่าเด็กน้อยน่ะใช่ตายเฉยทีนั้นเพราะฆ่าเด็กนั้นจึงต้องไหม้แล้วในนรกเป็นนั้นมากขึ้นเวลาถึง 100 ปีโอ้โห 100 ปีนรกที่มันต้องน่าคิดสิตกนรกชั้นไหนกันนี่นะถ้าไม่บอกเสียด้วยถ้าลงนาเวทีย์มหานรกก็ต้องคิดอย่างสันติพรนรก อายุ 9 ล้านปีของเราเป็น 1 วัน 30 วันเป็น 1 เดือน 12 เดือนเป็น 1 ปีที่ขุมที่ 1 ถ้าลงนรกขุมนี้ก็แย่แต่ถ้าตรงนรกขุมที่ 2 ที่ 3 ก็คูณได้ 2 เลขไปถ้านรกขุมที่ 7 ก็ต้องอายุครึ่งกับนรกขุมที่ 8 คือไปอีกมหานรกก็มีอายุ 1 กับ ไม่จะลงคุมไหนก็ตามที่มันก็แย่ร้อยปีนรกก็ต้องคิดดูเฉพาะสันติพรนรกที่มีอายุน้อยที่สุดก็มีอายุตั้ง 9 ล้านปีของเราเป็น 1 วัน 30 วันที่นั่นเป็น 1 เดือน 12 เดือนเป็น 1 ปีโดยเข้าวันเดียวไอ้สันติพรนรกก็แย่ไม่แค่ลอกร้อยปีเพราะนั้นท่านบอกว่าจึงไหม้แล้วนรกสิ้น สิ้นเป็นมากสิ้น 100 ปีท่านบอกว่าสิ้น 100 ปีเป็นมากมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็สิ้น 1,000 ปีเป็นมากสิ้น 100,000 ปีเป็นมากโอ้โหเพียงแค่ 100 ปีอย่างเดียวสิ้น 100 ปีส้นหลายหนสิ้น 1,000 ปีนรกน่ะ 100 ปีนรกก็หลายหนสิ้น 1,000 ปีนรกก็หลายหนสิ้น 100,000 ปีนรกก็หลายหนเป็นหนมากคนทั้งหลายก็ยังทรัพย์สมบัติที่ไร้บุตร ครั้งที่ 7 นี้ให้เข้าสู่ในพระราชในในในพระครังของหลวงได้ผลนั้นเหลืออยู่แห่งกรรมนั่นแลนี่สมมหาบพิตรอันหนึ่งบึงกล่าวของพระบดีเศรษฐีนี้หมดสิ้นแล้วคือจะทําบุญหนเดียวแต่ไม่ได้ทําต่อไปก็การให้เท่านั้นไม่ใช่ให้เป็นสรรณฐาน ให้ท่านเป็นปาฏิบุคคิสถานสําหรับสังฆทานองค์สมเด็จพระบิชิตตมานกล่าวว่าคนผู้นั้นแม้จะเข้านิพพานบุญนั้นยังเหลือนี่เป็นอันว่าเขาให้ทานแก่พระบะจีกับพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าความเป็นพระอรหันต์แต่ว่ามีคุณธรรมมีผลมากกว่าอัครสาวกรองมาจากพระพุทธเจ้าให้ครั้งเดียวเป็นผลให้เกิดเป็นเทวดาใหให 7 ทนเป็นมหาเศรษฐี 7 ทน แต่พอได้การเสียดดายในทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนไม่ต้องการของดีพอได้การฆ่าบุตรชายของพี่ชายนี้เพื่อจะแย่งทรัพย์ก็ต้องตกนรกครั้งละ 100 ปีนรกหลายครั้งอันปีนรกหลายครั้งแสนปีนรกหลายครั้งสบายอ่าท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จําไว้ด้วยเวลานี้ชอบแย่งทรัพย์อย่างที่เห็นมากไอ้เรื่องทรัพย์สินทําให้พี่น้องแตกร้าวกันพ้องร้องกัน เพราะแต่ความสามัคคีเพราะสัพพสิ่งนี้นี่มีอยู่นี่ต้องระวังระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยท่านกล่าวว่าบุญหมดไปเสร็จแล้วแล้วบุญใหม่ที่สหบดีเศรษฐีคนนี้ที่จะทําใหม่ไม่เคยมีเลยพระมหาบพิตรก็ในวันนี้ก็สหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นกําลังไม่อยู่ในมหาโลหะนรกสบายมหาโลหะนรกนี้มีอายุถึงขึ้นกับ เรือครึ่งกลับและการทรมานในนั้นเคร้าขา 2 ข้างจุ่มอยู่ในดอกโบเหล็กที่มัดไว้จนแน่งขยับไม่ได้มือ 2 มือจุ่มอยู่ในดอกโบเหล็กแล้วก็เอาหัวจุ่มอยู่ในดอกโบเหล็กตัวตัวโค้งอยู่เหล็กนั้นก็คมไฟก็ไหม้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าล่นลงมาก็ถูกเข้าสู่ดาบที่รองรับแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปใหม่นี่เป็นการทรมานอย่างหนัก ต้องคิดต้องคิดนะคนที่อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้สิงห์อยากจะกินบ้านอยากจะกินเมืองก็ระวังระวังให้ดีแต่ปรารถนาได้โดยจิตที่ประกอบด้วยเอ่อด้วยความไม่ดีคือเป็นการปรจริตคิดไม่ชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาจะไม่โทษจะไม่ว่าจะไปด่าจะไปจะไปประทินอินทาใครก็ไม่ได้ การที่จะทําบุญทั้งกุศลและตนทําความชั่วไว้ผลมันแยกกันผลมันไม่ได้รวมกันความดีก็เป็นความดีความชั่วก็เป็นความชั่วที่ต่อมาพระราชาทรงสดับพระดํารัสก็อ๋อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลแล้วจึงกราบทูลอ๋อสมเด็จพระราชีพแก้วว่าพระผู้เดียวข้าน่าอัศจรรย์นี่เป็นกรรมอันหนัก ที่มหาเศรษฐีนั้นเมื่อพอค่าที่ว่ามีประมาณเท่านี้หมายถึงว่าสมบัติที่มีประมาณเท่านี้มีอยู่ไม่ใช่สอยได้ด้วยตนเองเลยเมื่อพระพุทธเจ้าเช่าขึ้นกับพระโอษฐ์ทรงประทับอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้ทําบุญกรรมอันใดแม้ความจะยกมือไหว้ก็ไม่มีจะฟังเทศก็ไม่ฟังบาจ้ะไม่เฝ้าไหว้ก็ไม่เคยเคารพ นี่เป็นอันว่าจุดจบของพระมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้พระราชาทรงลําพูได้แก่พระพุทธเจ้าองค์สําเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอินทิณันตมะมหาบุพพิตรที่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาธรรมได้โภคะทั้งหลายหมดแล้วย่อมไม่แสวงหาพระนิพพานโอ้ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าจะเริ่มพระนิพพาน อันหนึ่งท่านอาชฌังเกิดจากเพราะอาศัยผู้ประสมบัติทั้งหลายย่อมฆ่าคนเหล่าหลายเหล่านั้นสิ้นการนานดังนี้แล้วองค์สมเด็จก็บัติบแก้วจึงได้ทรงตัดบาตรไปกล่าวถาวว่าโโขคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนตามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนตามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่น ด้วยความทยานอยากในโกขะพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบบรรดาประชาชนทั้งหลายมีทั้งพระมีทั้งคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆองค์สมเด็จพระตรัสคุณในเวลานั้นต่างก็บรรลุอริยมรรคอริยผลไปตามตามกันมีประโยชน์อาปติผลเป็นต้นเป็นอันมากทีละบรรดาท่านพุทธบริษัท การที่นําอภิธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวรปรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องอปุตกะเศรษฐีมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพื่อเพื่อจะได้ชัดว่าบุญญกรรมที่คนต่างคนทําไว้ย่อมให้ผลต่างกันคนเราในชาตินี้ได้ฟังมามากอาตมาเองน่ะถูกคนประรารภมามาก ก็ความยากเกิดความลําบากขึ้นมาในการใดชนเญียการป่วยไข้ไม่สบายเป็นต้นหรือความยากไร้ก็มาถึงป่นความเดือดร้อนเข้ามาถึงก็พากันมารําพึงรําพันกล่าวว่านี่ท่านบุญญาฉันทําทุกอย่างนะบาปจริงก็เคยใส่แต่ถึงก็เคยทอดถ้าฝ่ายก็เคยถวายสงฆ์ทานก็เคยให้ <c oughs> หมดที่หันการบริญก็เคยสร้างแล้วก็การพอฟังพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประสงค์แสดงก็เคยได้ก็เคยฟังเป็นอันว่าชาตินี้จะสร้างความดีทุกอย่างแต่ทําไมบุญกุศลไม่ได้ช่วยให้ฉันมีความสุขนี่ฉันมีความทุกข์ทุกอย่างบางคนก็บอกว่าดูดิ 3 มีอยู่ดีๆก็แยกตัวไปซะแล้ว ไปหาปัญญาใหม่ยังนี้เป็นต้นบางทีก็อีกกรรมที่เป็นกุศลไม่ได้ช่วยชั้นเลยเวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเค้ามาคดเค้ามาโกงชั้นครองร้องจันทรัพย์สินที่อยู่ก็ต้องสู้ความใครเป็นอะไรว่ามีความลําบากต้องทิ้นทรัพย์ต้องทิ้นความสุขบางท่านก็ดูที่ท่านดูชั้นทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ร่างกายเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะหาความดีอะไรไม่ได้ ไอ้ความป่วยไข้ไม่สบายมันครอบคนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอนุวาทท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านทําความดีแต่ว่าท่านลืมความจริงไปอย่างหนึ่งว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมานี้แต่ละชาติท่านทําอะไรมาบ้างความจริงผลของความดีของท่านก็ปรากฏแล้ว ความดีที่ปรากฏยังไงการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่างเลวที่สุดก็เป็นบุคคลผู้เคยมีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเคยมีกรรมบทบริสุทธิ์ทั้งบท 10 บริสุทธิ์มาแล้วในกาลก่อนจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยความดีที่เคยมีศีลและเคยมีกรรมบท มีทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยการบริจาคทานกันให้ในการขอให้ผลจึงมาให้ความสุขแก่ตอนเป็นคนที่มั่งมีเสียทรัพย์ตามสมควรที่เรียกว่าตามสมควรก็เพราะว่าให้มากก็ได้มากให้น้อยก็มีน้อยให้ทานแก่บุคคลที่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์มากให้ทานแก่คนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์น้อย มีการไม่สม่ำเสมอกันเพราะอาศัยบุคคลผู้รับกับบุคคลผู้ให้กับวัตถุผู้ให้ถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุธานบริสุทธิ์ท่านถึงแม้ว่าจะน้อยนิดเดียวก็มีอานิสงส์มากเป็นมหาเศรษฐีได้แต่หากว่าท่านมหาเศรษฐีคนที่กราบไปแล้วนี่ใช่ตัวท่านเองขณะที่คิดจะให้ใจบริสุทธิ์แต่ท่านผู้รับคือพระไปเจริญพระพุทธเจ้าก็เป็นพระบริสุทธิ์ วัตถุทานในคราวนั้นที่ให้ให้กันไปก็เป็นวัตถุทานบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ท่านจะโกงเข้ามาแต่สิทธิในการบริโภคอาหารเจ้ามีอยู่ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนนั้นบริสุทธิ์ท่านจึงได้เป็นมหาเศรษฐีได้ทั้ง 7 ครั้งเป็นเทวนาได้ทั้ง 7 ครั้งได้กรรมที่ตามสนองที่บรรดาท่านพุทธบริษัชที่ฆ่าเด็กน้อยลูกคุณชายลูกชายของเจ้าขอครับคือพี่ชายให้ตาย เพราะฉะนั้นหนองท่านให้เป็นผู้ต้องตกมานรกสินการนานและอาศัยเจตนาที่ท่านไม่ดีในตอนหลังประณามพิทประณามทุบไปเจกับพระพุทธเจ้าว่ามีคุณค่าไม่เท่ากับทาสกรรมกรของรีอย่างนี้พระไม่ควรจะกินเค้ากินแล้วก็นอนไม่ควรจะให้ถ้าจะให้ทาสกรรมกรจริงก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าท่านเศรษฐีคนนี้ก็ไม่ได้แย่งทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นคือโภคาที่ให้แล้วกลับมา เป็นเอิญเจตนาของท่านชั่วฉะนั้นการเกิดมาในชาติหลังที่เป็นมหาเศรษฐีแต่ละชาติจึงไม่สามารถจะใช้ของดีได้ใช้แต่ของเหลวเพราะเจตนาช่อมนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทกฎของกรรมตามที่นํามากล่าวนี้เป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวให้ฟังท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่าน เวลานี้ก็มองดูเวลาหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอยุติวาจาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี